การที่ขายนี่จะมีความมุ่งหมายะอะไรบ้างอ่ะก า, ก, การการที่จะถายอันนี้่ะมีความมุ่งหมายอะไรลอ ง, งว่าด้วย่าเข้าใจนิดหน่อยที่ถายทำนี่นะครับ<อ>ทางจะนไปแ่แ่ภาพให้ธนาทท า, ท, ทางททัน์องห้ากรุงในรายการีซึ่งมีเป้งหมายเพื่อช่วยกัรสนุนเผยแพรการทำคอนทาง พอพูด่างนี้เราก็ระลึกได้ตอนที่เราไปอังกฤษไปลอนดอนมีพวกนี่แหละพวกทีวีเข้ามาเป็นคณะเนี่ย <c oughs> เข้ามาหาก่อนที่เขาจะมาเขาก็โทรศัพท์มาถามแล้วก่อนว่าเราจะว่างวันวันเวลาไหน <c oughs> เมื่อทางนี้บอกเขาทราบแล้ว <c oughs> เขาก็มาตามเวลา <c oughs> เพราะมีความมุ่งหมาย <c oughs> อยากจะมาสนทนา <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องศาสนา แล้วก็ให้มาพอมาแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องเฮ้ยอยากจะเอาศาสนาทุกศาสนาออกทางทีวีให้โลกได้เห็นศาสนาของตนของตนว่าคือใครถือศาสนาอะไรอะไรก็ตามแล้วเขาจะนําศาสนานั้นๆนะ่ะคือคนนับถือทั่วโลกออกมาประกาศให้คนทั้งหลายได้ทราบเรื่องศาสนาของตนโดยชัดเจนว่า เขามาเป็นการปรึกษากับเราแต่เขาก็เป็นนักกีฬาดีอยู่นะนเขามาปรึกษาว่าท่านจะเห็นท่านจะเห็นดีด้วยไหมที่เขาจะเอาศาสนาทั่วโลกเนี่ยศา ส, สนาใดก็ตามเข า, า, าออกกลางทีวีให้คนทั้งหลายเขาได้เห็นกันทั่วโลกเป็นศาสนาของเขาเองเขากเนีน่ยเขามาปรึกษาเราจะเห็นสมควรไหมเราก็ตอบตามเหตุผลนั่นแหล ะ, ะตามธรรมดาของ ใจมนุษย์เราเนี่ยย่อมเข้าตัวเสมอว่ะแม้จะเป็นเจ้าของศาสนาถ้าเจ้าของศาสนายังมีกิเลสอยู่เจ้าของศาสนาก็เข้าตัวเหมือนกันเพราะการที่จะนําศาสนาต่างๆออกมาประกาศให้โลกทัายได้เห็นนี่เราเราไม่เห็นด้วยเพราะยังไงศาสนาใครเป็นผู้นำออกศาสนาออกมาผู้นั่นละ่ะศาสนาของผู้นั่นจะเด่นมากศา ส, สนาคนอื่นในขณะเดียวกันจะถูกเหยียบย่าทำลายไป แล้วเรามาอยากก็จะเห็นคนทั้งโลกเขาได้เห็นศาสนามาเห็นศาสนาขเขาถูกหยาบย่ า, ยาทำลายอย่างแหลกเดียวเพราะเรื่องจิตใจของโลกนี้เป็นจิตใจสําคัญมากในมนุษย์เราไม่มีอะไรที่ใหญ่ยิ่งกว่าใจเมื่อใจแล้วก็เรื่องศาสนานี้อย่าว่าแต่คนคนหนึ่งคนหนึ่งเลยแม้พู่มปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเขาทุกคนเขานับถือกันทั้งนั้นในศาสนาของเขาในเวลามาถูกหยาบย่ า, ยาทำลายอย่างนั้นจะเป็นความบอบช้ำเสียหายหรือเทียดแค้นขนาดไหนนั้นเราบอกกันไม่ถูกเลยเพราะเราจึงไม่เห็นด้วยถ้าหากว่า ผู้ที่จะนําศาสนาออกมานั้นไม่เป็นพระหรหันต์นะต้องเป็นพระหรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถนําศาสนาของศาสนาแต่ละแต่ละแต่ละศาสนาออกมาสแสดงออกอย่างถูกต้องชัดเจนตามหลักความจริงไม่เข้านั้นออกทางนี้ถ้าไม่ใช่พระหรหันต์แล้วยังไงจะต้องเข้าตัวเสมอว่าเฉพาะ อ, อย่างยิ่งใครเป็นเจ้าของศาสนาใดาที่เป็นแล้ผู้ที่จะมาออกทีวีเป็นเจ้าของศาสนาใดศา ส, สนานั้นจะเด่นที่สุดและในขณะเดียวกันจะเหวียบเขาแหลกที่สุดเลยระหว่าง เราเห็นอย่างนี้เราบอกเราเราไม่เห็นด้วยที่จะนำศาสนานี้ออกครับบอกเขาแล้วว่าไงทางโน้นเห็นด้วยไหมเขายอมรับเห็นด้วยเหมือนกันนะที่นี้เราก็คอยฟังเสียงอีกเหมือนกันว่าคําเห็นด้วยนี่เห็นด้วยตะกีาเพียงพ้นเผลนตอนนี้หรือเป็นเห็นด้วยเลเหตุผลจริงๆเวลาเรากลับมาแล้วก็ค่อยสืบถามทางนน้นให้คือเหมือนว่ามีมีสื่อทางโน้นไว้คอยเขาจะศาสนาจากที่ว่านนี้ออกไหมเลยเงียบไป เราก็สังเกตอยู่สอง่อ ย, อ, ยอยทดสอบอยู่ถึงสองปีแล้วยังเงียบทางนี้เราก็ปล่อยเขาจะออกกี่ศาสนาเราก็ไม่รู้ล่ะหลังจากนั้นมาแล้วนะนี่แล้วพูดถึงเรื่องศาสนาเพราะศาสนานี่เป็นสิ่งที่เทิดทูนของหัวใจแต่ละคนละคนปู่ย่าตายายของเขานับถือศาสนาใดเขานับถือยิ่งที่สุดยิ่งกว่หัวใจเขาเขาตายเข า, เขายอมตาได้แต่ศาสนาเขาไม่ยอมไม่ยอมปล่อยวางเพราะนั้นจึงไม่อยากจะพบจะเห็นศาสนาเขาตนที่ไปถูกเหยีายบย่ําทำลายในที่เช่นนั้นว่างอันเดิ นี่แหะเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องศาสนาถ้าว่าเป็นเจ้าของศาสนานั้นเป็นพระอรหันต์เช่นอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในศาสนาทั่วโลกนี้เราพูดได้ยืนยันได้ได้เลยว่าไม่มีศาสนาใดเคยประกาศตนว่าเป็นศาสตาเอเยของโลกได้สิ้นขีเลศอาสวะไปหมดแล้วไม่เคยมี ไม่ไดศาสนาที่เต็มไปด้วยคนมีกิเลสคนมีกิเลสนั่นแหละนำศาสนาไปเป็นรักที่ต่างๆแล้วก็เรียกว่าศาสนาศาสนาไอ้ความบกพรองความไม่เป็นธรรมของแต่ละคนที่เป็นเจ้าของศาสนานําศาสนาเอาประกานนั่นแหละจิงมักจะเนี่ยคําว่าอย่างน้อยนะมากจะเหยียบย่ําทําลายศาสนาคนอื่นและดืนศาสนาเคนอื่นเอาเนื้อเอาหนังของศาสนาคนอื่นของผู้ดีนั้นน่ะมาเป็นของตัวหมดเหยียบย่ําทำลายของคนอื่นให้แหลกหมดเอาศาสนาคนอื่นเข้ามา เป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ปรกากฏชัดเจนในเมืองไทยเราเห็นอย่างชาัดเจนเห็นทั่วประเทศไทยเลยเป็นยังไงเข้ า, าศาสนาอะไรมาเดี๋ยวนี้มากรีนาศาสนาพูดท่องเราแล้วให้พระพุทธเจ้าเป็นคนใช้จะด้วยนะและ้วพูดอย่างชัดๆนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอนั้นแล้วอะไรชื่อว่าเหนือกว่พระพุทธเจ้าน่ะคือศาสนาเขาแหละเหนือกว่าพระพุทธเจ้ามาใช้พระพุทธเจ้าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นให้มาประกาศศาสนาอย่างนั้นออกมาอย่างนั้นนี่เราไม่พูดมากนะ เห็นในลำดับบรรดาเห็นลงออกทางวิสยุก็ได้ก็ได้ยินออกทางเทพประกาศทางเทพก็ได้เห็นแล้วได้ยินได้ฟังเองเราฟังอย่างชัดเจนเพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องสาคัญมากอย่างนี้เป็นต้นคือเอาเนื้อเอาหนังคนอื่นของผู้อื่นที่เห็นว่าเป็นของดีของนี้ของตัวมากรีนเอาหมดแล้วเอาอันอันของคนอื่นนั่นแหะว่ามาเป็นของตัวเองแล้วเหยียบย่ำตําราผู้อื่นเขาก็อื่นที่เป็นของจริงนั้นกลายเป็นของปลอมไปหมดนี่คือศาสนาปลอมศาสนากาฝา หาความจริงไม่ได้หลอกลวงโลกศา ส, สนาเช่นนี้เป็นศาสนาที่หลอกลวงโลกจะเป็นศาสนาใดก็ตามถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าศาสนาลวงโลกแต่ท่านหลักพุทธศาสนาของเราเรายกพอเราทับถือพุทธศาสนาเรายกถือว่าเป็นความจริงว่าเรายังไม่เคยเห็นพุทธศาสนาของเรานีไปเหยียบย่ําทำลายไปกรืนเอาศาสนาใดเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่เคยมีแต่ต ร, รตรัสรลูกระตรัสสลูด้วยหลักธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสรลูขึ้นมาเป็นผู้บริสุทธิ์เรียบร้อยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลย ศา ส, สนาในโลกนี่จึงมีพุทธศาสนาที่เจ้าของศาสนาเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีอะไรที่จะเครือบจะแฝงจะมีลายคัดค้านเลยเพราะฉะนั้นศาสนธรรมที่แสดงออกมาในบทใดบทใดจึงออกมาจากด้วยจากความรู้ความเห็นความจริงจังเหมือนอย่างท่านทั้งหลายได้เข้ามาวัดปามันตานี้มาเห็นด้วยตางตัวของเปง็นยังไงวัดปามันตานี้เห็นยังไงและเวลานี้กําลังฟังการพูดการสนทนาของหลวงตาบวัวหลวงตาบวัวสนทนาว่ายังไง และเป็นภาษาเดียวกันท่านทั้งหลายทั้งได้เห็นวัดนี้ด้วยทั้งได้เห็นหลวงตาบัวด้วยทั้งได้ยินใน้ฟังคําพูดที่หลวงตาบัวแสดงมาวันนี้หนักเบามากน้อยเพียงไรด้วยท่านทั้งหลายจะสงสัยไหมเมื่อได้ยินได้เห็นด้วยตาตัวเองนี่แหละเรื่องพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งเราได้ทรงค้นเองได้เห็นเองรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าสยามภูตรักสรู้เองโดยชอบไม่มีใครที่จะมีความลูก ความสามารถเกินกว่าพระพุทธเจ้าแล้วแหละตรัสรูท้ทำมา <C oughs> สอนพระพุทธเจ้าให้เป็นตรัสรู้ให้เป็นภาศาสะดาองค์หนึ่งขึ้นมาไม่เคยมีเพราะฉะนั้นาศาสนาร佛教จึงเรียกว่าสัพบสยามผู่ทรงรู้เองเห็นเองเพราะการค้นคว้าโดยลําพังพระองค์เองตรัสรู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนําศาสนาที่บริสุทธิ์นี้มาต่างสอนโลกจึงไม่มีทางที่ว่าผิดที่ตรงไหนเนีเรียกว่าสวัสดิธรรมรับไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเบื้องต้นท่ามกลางสูงสุดเพราะจัดไว้ด้วยความรูรม้ความเห็น ความได้ยินได้ฟังจากพระองค์เห็นประจักษ um, ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับท่านทลายเข้ามาวัดป่าบัรตาดนี้ได้เห็นด้วยตาตนด้วยได้ยินได้ฟังได้โดยหูต้นด้วยยิงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นไม่เห็นตนไม่ได้ยินได้ฟังต้นไม่ได้พบครูบาอาจารย์หรือเช่นไม่ได้พบหลวงตาบัวไม่ไม่มีคามสงสัยเพราะเราได้เห็นด้วยตานี่แหละพระพุทธเจ้าเห็นทำทั้งหลายเห็นอย่างนี้รู้ธรรมรู้อย่างนี้รู้สวรรค์ก็รู้อย่างนี้รู้นรกก็รู้อย่างนี้รู้บาบรูลบุญก็รู้อย่างนี้อย่างเท่าทั้งหลายมาเห็นวัดป่าบรรทัดมาลูวัดป่าบรรทัดน อย่างนี้แล้วรู้พรหมโลกรู้นิพานก็รู้อย่างนี้รู้กิเลสตัณหาละกิเลสตัณหาก็รู้อย่างนี้ละอย่างนี้บริสุทธิ์อย่างนี้เห็นอย่างชัดเจนประจักพระไทยไม่ได้มาพูดพ้ามผ้ามหลอกโลกหลอ ก, อ ก, อ ก, อ ก, อกของศารนีที่เราเป็นศาสนาปลอมไม่เคยมีนี่ศาสานาพุทธของเราเป็นเช่นนี้แหละ <c oughs> ไม่เอาของใครเข้ามามาจื้อมาปนไม่เ า, มาเพิ่มถ้า ไ, ไม่หิวไม่ห่วยไม่บกพร่องมีความสมบูรณ์ทุกิึงตัวอย่างเรียกว่ามัชชิมา ถ้ารับทานก็อิม่มอิ่มทั้งหวานอิม่มทั้งข้าวอิม่มทุกสิ่งทุกอย่างทั้งน้ําทั้งเนื้ออิ่มหมดไม่มีอะไรที่จะมาบกพร่องพอที่จะหยิบคนนั้นยืมคนคนนี้เอามารับทานเป็นของคนอื่นมาเป็นของตัวอย่างนี้ไม่มียังนียกว่าศาสนาสมบูรณ์นี่ถ้าว่าเราได้พบได้เห็นได้พูดปฏิบัติศาสานานี่แล้วนี่ละศาสนาที่จะนําคนให้พ้นจากทุกหลุดพ้นไปได้จริงๆโดยไม่ต้องสงสยัยผู้เดิเกิดในแดนพุทธศาสนา ท่านบอกคิโชมนุสสปฏติลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากยากยังไงมนุษย์สัตว์เกิดเต็มแผ่นดินอยู่มันไม่เห็นยากมนุษย์เนี่เกิดยากเนี่ยแล้วยากที่สองก็คิดโชมุทธานุโบาโทการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละโครงโคร ง, งนั้นยากไม่มีอะไรเสมอในโลกนี้จะยากยิ่งกว่าการรูบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ส, สัตตมัสสาวนังยึดแขังสัตตมัสสาวนัง การที่มนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นของยากยังไม่แล้วยากที่จะได้ฟังเหตุฟังผลฟังอัดฟังธรรมจากคำสั่งสอนของพระเจ้าแต่และพระองค์พระองค์ที่ท่านอุบัติขึ้นมานี่ยากแสนยากสิ่งที่ยากแสนยากมีอยูศีประการหนึ่งจิตโฉมนุษย์สปพติลาโภการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นของหาได้ยากที่สุดจิตฉัง ส, สัทธมาจิตฉังมจานะชีวตัง่งชีวิตของมนุษย์ที่จะกลมกลืนบริเหตุิด้วยผลด้วยศีลด้วยธรรมนี่ก็เป็นของหายากนอกจากค้าเข้าไปด้วย ของสะกรกโปงสมมุมทำเจ้าของให้เดือดร้อนบุญบายและให้ล่มจมเสียหายไปเพราะชีวิตประเห็สตะระปงนั้นน่ยจิตชังสัตธรรมสวาวนังการได้ยินได้ฟังคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าอันบริสุทธิ์แท่นี้เป็นของยากนี่เรามีกี่อันล่ะทีกามานี่ยฮะถามมาเหรอจิตแล้วก็จิตโชพุทธบุษฐานวุปโทนหนึ่งนะจิตชังจิตโชมุด มนุษสปวีลาโพเป็นยากที่สองจิตฉังธรรมะสาวนังที่สามจิตจิตฉังอาจารย์ชีวิตังที่สี่คือคีวิตความเป็นอยู่นั่นอันหนึ่งการได้ยินได้ฟังทำเป็นของหายากนี่เราอยา่าเราอยา่ า, ยาพูดนะพูดว่าวิทยุกขประกาศลั่นโลกคือเนี้เป็นของหายากนี่เป็นภาวะที่เราเกิดขึ้นมาประสบพบเห็นแล้ว แต่หัวใจเรามันยังไม่อยากฟังอยากได้ยินอยากฟังแต่เพลงริบระบํลาลําโป้นั่นมันอยากฟังนั่นมันไม่อยากฟังอัดฟังธรรมฟังของสัตว์ของจริงเป็นของดิบของดีแหละเนี่ยอันนี้มันก็ยากนะะใจที่จะสอบแสวงหาอัธธรรมยากยากยิ่งกว่ามันจะวิ่งไปหาสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรท่านไปเอาหลวงตบวาบัวเรียนน้อยมารู้เรื่องว่าสิ่งนั้นคืออะไรอืมสิ่งบ้ามันคืออะไรนน อ, อืแล้วกับประวั เขยืดเข้าไปแล้วทำคนให้เป็นบ้าทั้งหมดผู้หญิงก็บ้าผู้ชายก็บ้าไม่ได้มองดูชีวิตจิตใจอายุสังขารเจ้าของไม่ไม่ดูฐานนะไม่ไปดูความรู้ความฉลาดแล้วสมบัติเงินทองเจ้าของอะไรล่ะทุ่มมันลงทุมมนมลงปเป็นบ้าไปตามๆกันหมดคือนี่นี่เรื่องกิเลสมันก่อมคนอันนี้เป็นของหาง่ายมากเพราะฉะนั้นมนุษย์ประเทศนี้จึงหาง่ายชีวิตที่คุกค้าไปกับของสกรปรกสมมนี้เป็นของหาง่ายเนี่ยการที่ยดินดีฟัง จะอาจจากธรรมทั้งหลายที่เป็นของดีเป็นของหายาชีวิตของเรามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องครับอาจากับธรรมเป็นของหายากเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แต่เพราะพุทศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนานี้เป็นของหายากเนี่ยมันยากในคนคนเดียวนั่นแหละมันพลิกไปนิดเดียวเท่านั้นแหละพลิกหายามันยากพลิกง่ายมง่ายตงกงินรกก็ง่ายเข้าคุกเข้ า, ข า, ขาตารางง่ายเป็นคนชั่วก็ ง, ง่ายถ้าลงปัสกากศีลธรรมแล้วไม่มีของดีหร้วมนุษย์เราเราอยากเข้าใจว่าเงินทองเข้าของกองเป็นล้านๆกองเท่าภูเขาว่าเป็นของดีของดีของพิเศษนะ แก้วแหวนแสตชตาพิพากรัตนทั้งหลายกองเผลินเทินเึืไปที่ไหนาเยียบย่าทำลายแต่ของเหล่านี้ว่าเป็นของดีของวิเศษบ้านเมืองเราวิเศษเพราะมีของเหล่านี้เราอยากไปเข้าใจอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดคุกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดตารางสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พาคนไปสวรรค์ไปนิพานคนความชั่วของคนต่างหากพาคนให้จมพาคนให้ติดคุกติดตารางความดีของคนต่างหากพาคนทําคนให้ดีจะเป็นคนดีขึ้นมาได้เพราะดีเพราะความดีของคนความดีมาจากไหนมาจากศีลจากธรรมจาก คำทังสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละโปรง่ปรงพงเพราะฉะนั้นศาสนามีผู้มีความสนใจในศาสนามียึงหาคนดีได้ง่ายถ้าไม่มีศาสนาเลยคนเกิดมาก็สักแต่ว่าคนถนันเองไม่มินมีอะไรแปลกประหลาดกันเลยถ้ามีศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเคร่องเหลาเครื่องชำระสัสษ า, ส า, สาให้เป็นคนดีคนดีได้เพราะฉะนั้นหลักสําคัญจึงอยู่ที่ทำทำเท่านั้นที่จะทําคนให้ดี เมื่อคนมีกายมีวาจามีใจมีอัธยาศาัยใจคอมีความประพฤติดีงามแล้วสมบัติเงินทองก็มีคุณค่ามีมากเท่าไรก็มีคุณค่าเท่า น, นั้นเพราะคนดีครองนไม่ใช่คนชั่วครองไม่ว่าเพชรว่าพลอะไรเพชรนินจินดาสมบัติเข้าของเงินทองเลือกนาะไร่สวนมีมากมาขนาดไหนดีเป็นประโยชน์ทั้งหมดถ้าคนดีครองนะ ถ้าคนชั่วครองเสียอย่างเดียวพี่นาถชิปหายไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายจึงไม่ไม่ดีอยู่กับสิ่งนั้นนั่นโดยแต่เดียวมันขึ้นอยู่กับคนพาให้ดีด้วยพาให้ชั่วด้วยขอเพราะฉะนั้นจึงขอให้ผิดน้องท่างหลายสนใจการประพฤติปฏิบัติดัดแต่งตนทกตนให้เป็นคนดีเพื่อจะได้นําสิ่งที่ดีทั้งหลายให้เป็นสิ่ิดีมงคลต่อไปอาราการแสดงตามข้อยันต์สมควรขอทํานี้พอจะเป็นนานเมื่อย เวลามาเป็นยังไก็ไม่ได้หายใจหรอกบอกว่าเวลาอยู่เราจะตายกันดิเมื่อยอกมานะเมื่อวานนี่ก็ไปนู่นไปดูแลเปเรียบร้อยแล้วไปดูแลเข้าใจเรื่ไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วล่ะจะมาตกสูงมากยัในเมืองนอพราอบเจ้าสบายที่บ บวชยุติบวชยุทธายละ่ะบวชยุบวชพ่อทุ่มพ่อนี่แล้วไปยุโกสมบอกอืมเขาสนใจเ่าหน่ายเราแตก็เป็นมหาเด้เพิ่งคือองมากแล้วบวชอีกก็ เป็นมหาก็บอดีสาาดู่มายิ่งไาได้มาบวชมาเอามายิ่งจันนิวเปิดอีกฟาดไปบวชอีกนายกู้ผมจักภาษาหนำบวชเราจะได้เป็นมหาเราไม่ยังสู่มายิ่งมาได้ฟาดไปหาไม่าา ย, มาายิ่งเลจันเปิดอีกออกจากไม่ยิ่งต่บวชอีกนายผู้ไมเป็นบ้าเหรอที่นัเอนน้องแต่แตตวแบวชาบางจะเป็นบ้าแล้วบ่เนะี <c> ่ <oughs> จะมาแลนพุ่นแลนตี่แต่อานหน่อยเนี่ยเชื่ออะไรบ่ห <c oughs> ึจะะอ <c oughs> จมึง เังวว่าบอกโอ้ยยังถนานั่งไไหนก็มันเป็นกันล่ะต่างบ้านมาแล้ต่บบางบ้านทราบว่าถันน่ไงนโมนิกุมีบ้านทราบมูน ห, หมดแม่งตายอยู่นโมนิมูนีบ้าษทราบไม่หมดละแต่วันนี้จะให้ค น, นะเทศกับเทศแล้วเบื้องต้นนันเทศเบื้องตอน้นนันเทศเรียบร้อยแล้วนะแล้วอาจารย์มจะว่าเขาจะาไม่เทศนั่นอีเทศแล้วนะเนีย่ยหรยอจะให้ขึ้นอยู่บนคือณโมตสายยางกี่ว่าเทศอั่าเง้ยเลยขึ้นบนคือเห็นตะลิงนี่แหละไม่ใช่พระขึ้นบนคือ นี่ก็พูดแล้วให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจวันนี้พูดถึงเรงื่องศาสนาคําว่าศาสนานเป็นศาสนาโดยชมบุญแค่โดยชูบุญแบบแต่เราไม่ตําหนิศาสนาใดนะเราเอาตามหลักผููตามหลักธรรมชาติเจ้าของศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้นี้เป็นผู้นําศาสนาออกมาอย่างบริสุทธิ์สุดส่วนเลยสร้างบารมีเอาสร้างลงไป จะรักษาศีลจะรำดาเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี่จะทําทางวัฏฏะให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีเราเพื่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้านี่เท่ากับเราเดินทางย่นเข้ามาย่นเข้ามาทางใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปโดยลําดับลําดาไม่ปีบไม่แวะทางโน้นทางนี้พอให้เสียเวลาเวลาเหนื่อยเปล่าๆก็มีเยอะอันนี้ไม่เป็นเดินตรงตามแนวทางพระเจ้าที่วัดสวขสโตพระกวตาธรรมู ถ้าทำอันพระภูมิภาคกลับไว้ชอบแล้วคําว่าชอบคือทางเดินเราให้ทานก็ถูกต้องแล้วนะรักษาศรรษีลถูกต้องแล้วภาวนาตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าถูกต้องแล้วเนี่ยมีแต่ทางที่ถูกต้องถูกต้องตามหลักหลักของสอนคารธรรมแต่ว่าชอบแล้วนี่พูดถึงก็ถึงผู้จวนก็จวนเข้าไปเรื่อยๆเลยเรื่อยเนี่ ย, ย, ยที่ว่าสร้างบารมีสร้างตามหลักธรรมคำถังสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้นเนี่ยเรียกว่าสร้างบารมีสร้างไปสร้างไปก็ถึงปัง ถ้าโค้นถือผนิผานได้อ้าวคูยังไม่ถึงนั่นก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเข้าใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปในระยะที่เดินทางก็มีความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเป็นเครื่องหนุนไปเรื่อยๆไม่ใช่บาปเป็นเครื่องย่ำยีตีแหละไปตามทางบุญหนุนไปเรื่อยถึงยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็มีความสุขเกิดในภพายชาติใดก็เป็นความสุขความสบายอํานาจเพราะอำนาจแห่งบุญ ห, หนุนไปหนุนไปสุดท้ายก็พ้นไปได้ เพราะการสร้างบารมีตามหลักศาสนาธรรมที่ท่านสอนไปเพราะนั้นขอให้ทุกๆท่านจงเน้เนาะเป็นที่นอนใจถึกับเรื่องพุทธศาสนาสนี่สอนไม่มีอะไรผิดเลยเดียวแพออย่างยิ่งสอนเรื่องกิตตวิญญาณ น, นี่เป็นหลักสําคัญมากทีเดียวไม่มีใครลจะสอนได้ในโลกนี้แม้นจําถูกต้องยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะจิตตรงนี้ตายแล้วไปเกิดไหนทงทรงทยานทั้งสามฟังดิบุเพนิวาสานุสติยาน และเลือกชาติย้อนหลังไปกี่กับกี่กันเฉพาะชาติของพระองค์ก็ดีชาติของสัตว์ตัวใดก็ดีสามารถพิจารณาย้อนหลังไปได้หมดทุกภพกทุกชาติตลอดทั่วถึงนี่เนี่คือความเคยเกิดมาเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นจนกระทั่งมาปัจจุบันหน้าบัตรนี้ก็ทรงทราบเรียบร้อยด้วยพยานเรียกว่าบุเพนิวาสาโนสติยานและเลือกชาติย้อนหลังที่เคยเป็นมาได้แล้วก็ทีนี่จตุ ป, ปาตยานยังสามารถรู้ จิตวิญญาณของฉัตรออกจากร่างนี่เกิดไปเกิดร่างนั้นแต่แต่ละร่างนี้แต่เกิดร่างนั้นแต่เกิดสูงสูงต่ำต่ ำ, ต ำ, ตำุ่มลุดอนรู้ไปหมดทุกขีทุกขีทุกแง่ทุ ก, ทกมมในบรรดาดจิตของฉัตรโลกนี่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านี่อาสวะขยายานความรู้แจ้งแห่งความสิ้นไปอาอาสวะกิเลสที่พาให้สัตว์เกิดตายนี่ภายในพระทัยหมดไม่มีอะไรเหลือนี่เรียกว่าวิชาสามของพระองค์โดยสมบูรณ์แล้วจังสอนโลกไม่ผิดนี่การจะนั่งก็ประกาศทำ ไว้ให้สัตว์ทั้งหลายได้ก้าวไปตามนี้ก้าวไปตามนี้ขึ้นตามโบงไปเรื่อยๆเรื่อยๆืจนกระทั่งถึงมิมดจุดหมายปลายทางเช่นดังพระรหันท่านเนี่ว่าถึงที่สุดแล้วบรรดาท่านองค์ไหนก็ตามถ้าลงจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรียกว่าเดินทางสุดเส้นแล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี้เอื้อมือไม่ถึงแล้วทีนี้หมดกังวลดุขังนาตถิอาชาตัตะทุกหมดกับผู้ไม่เกิดอีกผู้เกิดก็คือผู้กอ่อทุกข์นั่นแไม่เกิดแล้วไม่ต้องมากอ่อ ดูด้วยธรรมโดยสุดสบายแสนสบายทุกางนิพพานังปรามังสุ ข, ขังสุขใดในโลกนี้จะเสมอปรามังสุ ข, ขังคือสุขในผลิพานอ๋อละพอที่นี่ให้พอจะให้พอได้อย่างเต็มเหรอ ย, ยังเงเอือนี้ว่าให้พอเราจะให้หญิงเป็นงั้น่นหลวงตานี่นะบางทียังไม่ให้ไปเลยก็มีบางทีให้แล้วให้อีกก็มีมันยังไงมันจําไม่ได้นี่มันลืมยะถาวารวะพุราปริปูเรนติสากรัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปัติตังตุมหังขิปเมวะสมิดชาตุสเพปูเรนตูสังคปาจานโทภณาระโสยะามนิโชติระโสยะถาสัพพิตโยวิวัชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมนตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีดิสนิจจังบุธาปจาิโนจัตตาโรทามาวาทานติอายุบันโนสุขังภาลางอะระหอ